เจพรพรท่านผู้มีจิตสตามีความเงื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันสาที่21มิถุนายนพุทธศักราช2557เป็นวันที่ท่านทั้งหลาย ไม่เวลาว่างจากภารกิจการยาต่างๆเจมได้มาวันเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติมาศึกษาหาความรู้ที่จะเป็นแสงสวา่างนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ที่ชอบที่ชอบไปสู่ที่สุดที่จเจริญอย่างแท้จริง การฝังเทศฝังธรรมนี้ก็เป็นเหมือนกับการไปที่ร้านขายของเก่าเนื่องจากว่าเรามีของเก่าอยู่ที่บ้านเป็นจานวนมากซึ่งอาจจะได้มาจากมรดกตกทอดจากบิดามาดาปุย่าตายายมา แต่เราไม่รู้ว่าของต่างๆเหล่านี้มีคุณค่ามากน้อยเพียงไรเราก็ไปหาคนที่รับซื้อของเก่าให้เขามาดูให้เขามาประเมินบอกว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้มีคุณค่ามีราคาอย่างไรบ้างเพื่อเราจะได้เอาไปทาประโยชน์ ให้กับเราได้อย่างเต็มที่ตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีค่าหรือไม่มีค่าหาง่ายหรือหายากแต่คนที่เขาอยู่ในวงการของค้าของเก่า <c oughs> เขาจะรู้เวลาเขาเห็นของเก่าที่มีคุณค่ามีราคา <c oughs> เขาก็จะบอกเราชั้นใดการมาฟังเทศฟังธรรมก็เป็นอย่างนั้น เรามาให้พระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกมาประเมินราคาของที่เรามีอยู่ว่ามีคุณค่ามีราคามีประโยชน์มากน้อยอย่างไร mm hmm. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็คือว่าพวกเราเนี่ยมีสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากแต่เรา ไม่รู้ว่ามีคุณค่าเราไม่รู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี้เป็นสิ่งที่หายากมากนานๆจะได้มาสักครั้งหนึ่งอย่งเนื่องจากว่าเราไม่มีใครบอกคุณค่าของที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่รู้จักใช้ของที่มีคุณค่านีให้เกิดประโยชน์เกิดสุขกับเรา แต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะรู้ว่าเรามีสิ่งที่หายากอยู่หลายอย่างด้วยกันนั่นเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราเป็นอย่างมากเพราะจะเป็นเหตุที่จะนำพาให้เราไปสู่ความสุขความเจริญ ให้เราอยู่ห่างไกลาจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆสิ่งัใดที่มีคุณค่าที่เรามีกันอยู่ก็คือหนึ่งพระพุทธศาสนาการปรากฏของพระพุทธเจ้าการปรากฏของพระพุทธศาสนาแต่ละครั้งนี้เป็นของยากอย่างมากไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย านานจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่ ง, งา น, านานจะมีมนุษย์วิเศษอย่างพระพุทธเจ้าที่สามารถบำเพ็ญเจริญปัญญาจนได้ค้นพบสัจธรรมของชีวิตค้นพบเหงที่จะพาให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดยา้ นานๆนนจะมีพระพุทธเจ้ามาเกิดสักครั้งหนึ่งและนานๆจะมีพระพุทธเจ้าที่บรรลุแล้วจะประกาศพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกมีพระพุทธเจ้าบางพระองค์หลังจากที่ได้ตัดสรูแล้วก็ไม่ได้เผยแผ่ความรู้ให้แก่ผู้นนพระพุทธเจ้าของจงมีอยู่สองแบบด้วยกัน เรียกว่ า, าพระประเจกะพระพุทธเจ้าและพระอารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกกาพุทธเจ้านี้ทรงค้นพบสัจธรรมแสงสว่างของชีวิตแต่ไม่นําเอามาเผยแผ่สังสอนให้แก่ผู้ส่วนพระอารันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ หลังจากได้ตัดสรู้แล้วก็ได้เอาความรู้ที่ได้รู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้นานๆจะมีพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าของพวกเราตอนที่ตัดสรูใ้ใหม่ๆก็มีความท้อพระทยัยไม่มีความปรารถนาที่อยากจะเอาความรู้นี้มาเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกเพราะทรงเห็นว่าเป็นสิ่งที่ยากต่อการเข้าใจของสัตว์โลกทั้งหลายเป็นสิ่งที่ยากต่อการปฏิบัติของสัตว์โลกทั้งหลายเพราะเป็นคำสอนที่จะสอนให้สัตว์โลกนั้นสละทุกสิ่งทุกอย่างที่สัตว์โลกคิดว่าเป็นของดีของวิเศษ เช่นให้สละลาบยศสละเสริญให้สละการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้มาหาความสุขทางใจด้วยการถือศีลด้วยการปฏิบัติทำอยู่ในที่สงบสงัดอยู่ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่สว์โลกทั้งหลายไม่เข้าใจกันว่า จะเป็นความสุขได้อย่างไรเพราะสารโลกทั้งหลายนี้จาเป็นจะต้องมีลาบยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโพธะถึงจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขแต่ความหลงของเขาทำให้เขามองไม่เห็นความทุกข์ที่ตามมาจากการที่ไปพึ่งลาบยศสรรเสริญ เพิ่งรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะมาให้ความสุขกับเขาเพราะลาบยศสารเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโพธพภะนั้นเป็นของไม่เทียงนั่นเองเป็นของที่มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเวลาเกิดเวลาได้มาก็ดี อ, อกดีใจกันเวลาจเจริญลาบยศสารเสริญเจริญสุข ก็มีความดีอกดีใจกันแต่เวลาเสื่อมลาบยศสรรเสริญเวลาเจอความทุกข์ก็ร้องผมร้องไห้กันเศร้าโศกเสียใจกันนี่คือสิ่งที่สัตว์โลกมองไม่เห็นเห็นแต่ส่วนที่ดีเห็นส่วนที่ให้ความสุขแต่ไม่เห็นส่วนที่ให้ความทุกข์ก็เลยเป็นเหมือนกับปลาที่ไปตะคุบ เหยือที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเห็นแต่เหยื่อแต่ไม่เห็นเบ็ดพอตะคุกเหยื่อแล้วถึงจะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากต้องทุกทรมานและตายไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าในเบื้องต้นทรงมีความเท้อพระทยไม่อยากจะมาสอนปลาทั้งหลายไม่ให้ปะตะคุบเหยื่อกันเพราะว่าตะคุบแล้วจะต้องถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปาก แล้วก็ถูกคนที่ตกปลานี้เอาไปฆ่าเอาไปแกงสัตว์โลกที่ยังติดอยู่กับความสุขทางลาบยศสละเสริญทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่นี้จะไม่มีวันที่จะหลุดเล็ดลอดออกจากกองทุกขแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยนี่คือความท้อทยในเบื้องต้น แหลังจากนั้นก็มีพระเท้ามาหาพรมได้มาขออาราธนาให้มีความเมตตาสงสารแก่สัตว์โลกให้ทรงพิจารณาว่าสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนบัวสี่เหล่าไม่ใช่ว่าสัตว์โลกทั้งหมดจะเป็นเหมือนกันสัตว์โลกที่ฉลาดที่จะสามารถรับความคำสอนของพระพิทธเจ้าก็มีอยู่ สัตว์โลกที่ไม่สามารถรับคำสอนก็มีอยู่ก็ขอให้ได้โปรดสัตว์โลกที่ยังสามารถรับคำสอนและนำเอาไปปฏิบัติได้หลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงมีพระทยัยมีกำลังใจที่จะโปรดสัตว์โลกที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกสั่งสอนสัตว์โลกให้เห็นโทษของการติดอยู่ กับความสุขทางราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นไก่พ่อองค์ก็เลยไปสั่งสอนเลือกสั่งสอนพวกที่ฉลาดก่อนพวกที่ฉลาดก็คือพวกที่เป็นนักบวชนี่เองเป็นพวกที่ไม่แสวงหาราบยศสรรเสริญไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกวิ้นไกยแสวงหาความสุข จากการทำใจให้สงบเพียงแต่ว่าไม่สามารถทำให้สงบได้อย่างถาวรพอพพระพุทธเจ้ามาสอนวิธีที่จะทำให้ความสงบนี้มีอยู่อย่างถาวรพวกเขาเหล่านั้นก็นำเอาไปปฏิบัติและทำให้จิตใจของเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวรหลังจากนั้นก็เผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ มีความสนใจแต่ยังไม่มีความสามารถเท่ากับนักบวชก็สอนให้เขาปฏิบัติเพื่อให้เขาได้บวชเมื่อเขาได้บวชแล้วต่อไปเขาก็จะได้ดับความทุกข์ทั้งหลายตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือพระอาหารหันต์ตัสมาสามพุทธเจ้าที่เป็นบุคคลที่หา ย, ยากอย่างมาก นานๆนานจะเกิดขึ้นหนึ่งสักครั้งหนึ่งนานๆ น, น, นี่ก็หมายความว่าหลายล้านล้านล้านล้านปีเลยถึงจะมีบุคคลอย่างนี้มาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งพวกเราชาตินี้ได้มาเกิดได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นสิ่งที่หายากแล้วเพียงแต่เราไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนา เราไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะใช้พระพุทธศาสนาสอนเราพาเราให้เราได้เล่นลอดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่จนกว่าเราจะได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนเราถึงจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นลัทธิคำสอนใดก็ตามศาสนาใดก็ตามหรือสิ่งความรู้อะไรต่างๆในโลกนี้ทั้งหมดไม่สามารถที่จะนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้มีเพียงคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถนำพาสัตว์โลกให้ เล็ดลอดหลุดพ้นจากคุกตารางแห่งการเวียนว่าตายเกิดได้นี่แหละคือสิ่งที่หายากสิ่งที่เรามีอยู่เราเป็นเหมือนไก่ที่ไก่ได้พลอยแต่ไม่รู้คุณค่าของพลอยไม่รู้คุณค่าของเพชรเพราะไก่กินเพชรกินพลอยไม่ได้กินไก่ต้องการตัวหนอนตัวไส้เดือน แต่ถ้าไก่รู้ว่าสามารถเอาเพชรเอาพลอยนี้ไปแลกเป็นไส้เดือนได้จำนวนมหาศาลเขาก็จะรีบเก็บเพชรเก็บพลอยเอาไว้เขาจะไม่เขียเข่ยทิ้งเขี่ยทิ้งเหมือนกับสัตว์โลกที่ไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะปฏิบัติตาม มัวแต่ทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้กับการหาไส้เดือนหาตัวหนอนกันก็คือหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกริ้นกายซึ่งหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่สามารถให้ความอิ่มความพอได้ต้องหาอยู่เรื่อยๆตายจากชาตินี้ไปก็ไปเกิดชาติใหม่เพื่อจะได้ไปหาต่อ เพราะเหตุที่ทําให้ไปหาสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้รับการกําจัดจากการหาสิ่งต่างๆนั่นเอง <Yeah. S 1> นี่แหละคือพวกเรา <Yeah. S 1> พวกสัตว์โลกที่ไม่สนใจไม่เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา <Yeah. S 1> ไม่เห็นคุณค่าของพระรัตนตรยัย <Yeah. S 1> คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ <Yeah. S 1> รัตนนี้ก็แปลว่าเพชรนี่เองไตรก็คือสาร เพชรสามเททน้ำหนึ่งสามสามสเม็ดด้วยกันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้พอจะสามารถพาให้พวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ไปถึงพระนิพพานแดนที่มีแต่ความเกษมสำราญมีแต่ระมังสุขขังบรลมสุขแบบไม่มีวันสิ้นสุด นี่คือสิ่งที่หายากสิ่งที่มีคุณค่ามากที่พวกเรามีกันแต่เราไม่รู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาจนกว่าเราจะศึกษาเท่านั้นเราถึงจะเข้าใจถึงจะรู้คุณค่าของพระพุทธศาสนาสิ่งที่สองที่เป็นสิ่งที่หายากที่พวกเราไม่รู้กันและไม่รู้ว่ามีคุณค่าอย่างมหาศาล ก็คือการได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่<ม>การได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็เป็นสิ่งที่ยากกว่าจะกลับมาเกิดในแต่ละครั้งนี้ต้องใช้เวลามากเพราะต้องไปใช้ไปรับผลบาปผลบุญที่ได้ทำเอาไว้ก่อนซึ่งก็เป็นเวลาอันยาวนานกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติตนให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้หรือถ้ากลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานแล้วไได้พบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่มีประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันเช่นสุนัขที่มาอาศัยอยู่วัดนกกาที่มาอาศัยวัด ก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วต้องมาเจอพระพุทธศาสนาถึงจะสามารถศึกษาและปฏิบัติและหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ นี่คือสิ่งที่สองที่เป็นสิ่งที่หายากที่เกิดขึ้นได้ยากที่พวกเราได้พบกันแล้วชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์และเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี่แหละเป็นโอกาสอันเลิศโอกาสทองแล้วที่พวกเราจะสามารถได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่เรายังต้องมีอีกสองอย่างที่เป็นสิ่งที่หายากที่พวกเรามีกันอยู่สิ่งที่หายากประการที่สามก็คือการดำรงชีวิตการอยู่ไปของของเรานี้แต่ละวันนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายชีวิตของเราเป็นเหมือนแขวนอยู่บนเส้นด้ายเดินอยู่บนเส้นด้ายไม่รู้จะพลัดตกลงมาเมื่อไหร่ คนเหล่านี้จะตายกันเมื่อไหร่นี้ไม่มีใครรู้การที่เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่ยากมากเพราะคนบางคนนี้อยู่ได้เพียงไม่กี่วันก็ตายบางคนก็อยู่ได้ไม่กี่อาทิตย์ก็ตายบางคนอยู่ได้ไม่กี่เดือนก็ตายบางคนอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ตายดังนั้นการที่เราสามารถดำรงชีวิต ให้อยู่ได้อย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่ยากมากนี่ก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราจําเป็นจะต้องมีเพราะถ้าเราไม่มีชีวิตเราก็จะไม่สามารถศึกษาและปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพ่อพระพุทธเจ้าได้นี่ก็เป็นสิ่งที่สามที่หายากที่มีคุณมีประโยชน์ที่พวกเราได้มีกัน และสิ่งที่สี่ที่หายากและเกิดขึ้นได้ยากก็คือการได้ศึกษาและได้ปฏิบัติพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าน้อยคนที่จะมีเวลามาเข้าวัดกันน้อยคนที่จะมีเวลามาศึกษามาปฏิบัติกันที่มาก็มาได้ทำได้เพียงบางส่วนเช่นมาอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง แล้วก็มาฟังเทศฟังธรรมสักหนึ่งครั้งแล้วก็ปฏิบัติสักหนึ่งครั้งอันนี้ก็ยังถือว่าน้อยมากการที่จะได้ศึกษาได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้เป็นสิ่งที่ยากมากเช่นคนที่บวชนี่การบวชเป็นพระนี่เป็นสิ่งที่ยากมากในประเทศไทยเรามีพลเมืองกี่คนเกือบเจ็ดสิบล้านคน เรามีนักบวชกี่แสนคนนี่ก็เป็นสิ่งที่ยากมากถ้าผู้ใดได้เป็นนักบวชไม่ว่าจะเป็นนักบวชเต็มรูปแบบหรือนอกรูปแบบก็ถือว่าเป็นนักบวชมือนกันนอกรูปแบบเป็นอย่างไรก็คือไม่ได้โกนสีษะไม่ได้ห่มผ้าเหลืองไม่ได้ห่มผ้าขาวแต่ก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมศึกษาพระธรรมคาสอน เหมกับนักบวชที่ห่มเหลืองห่มขาวศึกษาปฏิบัติกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นนักบวชได้เพราะมีมีสิทธิ์ที่จะหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเรวียนว่ายตายเกิดได้อันนี้ก็เป็นของยากใครก็ตามถ้าได้บวชได้ปฏิบัติได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นแหละถือว่า เป็นบุคคลที่อยู่ใกล้พระนิพพานที่สุดเป็นบุคคลที่เมือมีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มากที่สุดถ้าเป็นวัวก็เป็นเหมือนวัวปากคอกรอให้เขาเปิดประตูเท่านั้นเองพอเปิดประตูปับ๊บก็จะออกไปก่อนเพื่อนเลยอันนี้ก็คือสิ่งที่หายากอย่างยิ่ง ที่พวกเราบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีพวกเราคนที่ไม่มีก็สามารถทำให้มันมีได้ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ถ้าเราเห็นคุณค่าของชีวิตของมนุษย์เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็พยายามศึกษาให้มากขึ้นแล้วปฏิบัติตามให้มากขึ้น พอศึกษาและปฏิบัติมากขึ้นผลก็จะปรากฏขึ้นมาพอได้รับผลที่ปรากฏคือเห็นความทุกข์ดับไปน้อยลงไปเห็นความสุขมีเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดกำลังใจเกิดฉันทะวิริยะเกิดจิตตะวิมังสาคือเกิดอิทธิบาสีถ้าผู้ใดมีอิทธิบาสีแล้วผู้นั้นถือว่า มีพลังสามารถทําสิ่งที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถทําได้สามารถออกบวชได้ใครก็ตามถ้ามีฉันทะวิริยะจิตวิมังสาต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าจะออกบวชได้จะสามารถศึกษาและปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจาก กองทุกแห่งการเวียนว่าตายเกิดได้นี่คือสิ่งที่พวกเราถ้ายังไม่ได้บวชกันควรพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้ฉันทะแปลว่าความพอใจความยินดีที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนวิริยะคือความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติจิตตะก็คือมี ใจที่จดจ่ออยู่กับการศึกษากับการปฏิบัติวิมังษาความคิดไข้ควรวนก็มีความคิดที่จะศึกษาและปฏิบัติไม่คิดที่จะไปเที่ยวไปเล่นไม่คิดที่จะไปหาเงินหาทองไปหาลาบยศสรรเสริญแต่คิดจะบวชคิดจะศึกษาคิดจะปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่าตายเกิด การที่จะเกิดฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาขึ้นมาได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาพระธรรมคำสอนฟังเทศฟังธงรรมเพื่อให้เราเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเห็นคุณค่าของการศึกษาของการปฏิบัติพอเราเห็นแล้วเราก็จะมีความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติ มีความกยันมีใจที่จดจอ่อมีความคิดที่จะคิดแต่จะศึกษาและปฏิบัติพอเรามีที่บาสีแล้วเราก็จะศึกษาปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของนักบวชหรือนักบวชที่ไม่ได้มีการโกนศีรระหรือห่มผ้าเหลืองแต่ก็ถือว่าเป็นนักบวชเหมือนกัน ถ้าถือศีลแปลดได้ถ้าเีกวิเวกได้อยู่ตามลําพันธ์ไม่หาความสุขจากสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้หาความสุขจากการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่แหละคือสิ่งที่เรามีอยู่ที่เราไม่รู้ คุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่วันนี้เรามาหาพระพุทธศาสนาที่เป็นเหมือนคนซื้อของเก่าคนที่รับซื้อของเก่าเอาของเก่าที่เรามีอยู่นี้มาให้เขาดูมาให้เขาประเมินราคาให้เราแล้วตอนนี้เราจะได้รู้แล้วว่าเรามีสิ่งที่หายากเป็นอย่างมากอยู่ทั้งสีอย่างและเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมาก มากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้เราหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้มีแต่สิ่ง4ี่อย่างนี้เท่านั้นคือหนึ่งพระพุทธศาสนาสองการได้เกิดเป็นมนุษย์ 3. การมีชีวิตอยู่และสการได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมขอให้พวกเรา เอาสิ่งทั้งสี่อย่างที่หายากที่มีคุณค่าอย่างยิ่งนี้มาทำให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราให้ได้เถอะเพราะไม่มีอะไรแล้วที่จะทำได้คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้